ขอความสุขความเจริญถึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องวัตถุปรมาสูตรอสูตรที่ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่ย้อมสีวิทยาสเสด็จประทับอยู่ที่พิเชษตะวันเหมือนเดิม รับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาเมื่อพิสุมาพร้อมกันแล้วก็รับสั่งว่าพิสุทั้งหลายผ้าที่ซส้าหมองมนทินจักช่างย้อมพึงนำมาผ้านั้นมาย่อนลงในน้ำย้อมใดๆสีเขียวสีเหลืองสีแดง สีชมพูผ้านั้นเวลายอมก็จะสีกระดำกระดักดมีสีขุ่นมัวซามองถามว่าเป็นเพราะเหตุใ่เพราะเหตุว่าผ้านั้นไม่สะอาดมีความไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันจิตใจของบุคคลที่ มีความขุณมัวเศรมองหวังได้ว่าตายไปแล้วก็จำเกิดในทุกขติอาบายนรกดิรชาันสุรกายจะได้อย่างหนึง่งแต่เักสั่งว่าผ้าที่บริสุทธิ์หมดจดเมื่อช่างย้อมนำมาหย่อนลงในน้ำจะเป็นสีอะไรก็ได้ ผ้านั้นก็จะมีสีสวยงามมีสีสดเพราะนั้นเป็นเพราะเาหตุอะไรเพราะว่าผ้านั้นบริสุทธิ์สะอาดเหมือนกับจิตที่ไม่คุณมัวซ้ำหมองเนี่ยหวังได้ว่าตายแล้วจะไปบังเกิดในสุขติ นี่ก็เป็นพุทธภาสิต ท, ที่เราคุค้นๆนะฮะจิตเตสังกิเิตเถสุกติปาติกลางขาเมื่อจิตเศร้าหมองหวังได้ว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในสุขติจิตเตสังกิริสเถสุกติปาติกลางขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังได้ว่าตายแล้วจะไปบังเกิดในสุขติ ไดารับสั่งว่าพิสูทั้งหลายก็ทำเราใดเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตจากนั้นก็ส่งแสดงกิเลสประเภทที่เรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่สอดรับกับพระพุทธธรรมรัตที่เราก็คุ้นคุ้นกันในสังคมไทยที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่า ทุกรภิกษุทั้งหลายจิตนี้ปรัตัสอนคือเรื่องแสงแต่จิตนี้ต้องเ้ามองไปเพราะอุปกิเลส ท, ที่จอดมาก็หมายความมาโดยสภาวะของจิตจริงๆมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าที่มีปัญหาก็เพราะว่ามณีกุศลต่างๆเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจิตใจ มันเป็นไปตามแรงของอากุศลเหล่านั้นตามการครอบงําของอากุศลเหล่านั้นอันนี้ก็คงนึกออกนะว่าที่ตนแสดงว่าจิตเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นโดยลําพันธ์แต่เกิดขึ้นร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกนั้นพูดง่ายๆก็คือธรรมะ ดีก็มีไม่ดีก็มีกลางกลางก็มีก็ทรงตามบทที่พระสวดอภิธรรมที่กุศล ธ, ธ, ธ, ธรรมะกุศลธรรมะพยาการธรรมะทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทมที่เป็นกลางกลางก็ให้ผลเป็นกลากลางเพราูปภิกิเลสนั้น ทรงแสดงไว้โดยทั่วไปเนี่ยจะสิบหกข้อแต่วาสดุที่ผ่านมาแล้วก็ทรงแสดงไว้เพียงสิบห้าข้อแต่ถ้ารวมกับโรภาษุสะมันก็เป็นสิบสิบสี่ข้อนะฮะถ้ารวมกับโรภาษุสระที่ยกขึ้นเป็นหลักในตอนตอน้นนั้นก็กลายเป็นสิบข้อเหมือนกัน อุปกิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำจิตใจให้ขุดหมั่เศร้าหมองนั้นก็คือเขาเรียกอภิชาวิสมะโลภะแปลว่าความละโมบที่ไม่สม่าเสมอด้วยอำนาจความเพ่งเล็งโลภอยากได้แต่นนั้นก็อยากได้เห็นนี้ก็อยากได้เห็นโน้นก็อยากได้แต่เราจะดูความเคลื่อนไหวใน ตัวของบุคคลเวลาเกิดอาการของอภิชาวิสมาโลคเนี่ยก็เทียบได้กับตอนที่คนไปเดินตามห้างสรรพสินค้าต่างๆดูนั่นดูนี่ดูโน้นเดินไปเดินมาชอบหมดก็อยากได้หมดอยากได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็อยากได้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่ จะต้องจำกัดความอยากเพราะว่าเงินมันมีอยู่อย่างจำกัดแต่สมมติเวเงินมากความอยากมากคนก็ต้องมีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินเหมือนกันแต่ถามว่าความรู้สึกอยากเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราอยากมันหมดเล้วยังมันไม่หมดหรอกอาจจะหมายตาเอาไว้ มาครว่ า, าสิ่งเหนั้นจะผ่านมาทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายก็ตามเมื่อใจมันถูกปรุงด้วยอภิชาวิสมาโลปะความอยากไว้สม่ำเสนออยากได้มากอยากได้น้อยอยากได้น้อยอยากได้นี้อยากได้ขนาดนั้นขนาดนี้สีนั้นสีนี้ก็วุด น, น, น, นไปบากนเดินจ่ายตลาดเป็นชั่วโมงไงได้ไม่เท่าไหร่ เพราะว่าตัดสินใจลงลงไปไม่ได้ด้วยแล้วก็กำลังเงินไม่พอเป็นต้นโรคประการต่อไปก็คือพยาบาทนี้เป็นกิเลสประเภทโทสะโน้นเป็นกิเลสประเภทโลภะพยาบาทก็คือการที่จิตผูกใจเจ็บเป็นเรื่องอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มี ทรงแสดงเป็นอาคาตวัตถุไว้เก้าประการบางทีก็ส แ, สสแสดงไว้สิทธิ์นะฮะเพราะมันมีความโกรธบางอย่างเนี่ยมันไม่มีปีมีครอะไรคือไม่มีเหตุผลอะไรไม่พอใจก็โกรธเอาท่านนั่นเองแล้วก็ลามป่าไปได้เลย พราบาต ท, ที่ประรบอดีตมีทั้งการกระทำดีและกระทำชั่วเพราะพื้นฐานจิตใจของเรามันจะมียินดียินร้ายเป็นฐานอยู่หม้ความม่ากับคนมันก็มีความยินดียินด้ายทีนี้เมื่อประรบเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นมาในปัจจุบันแล้วเรื่องนั้นมันผ่านไปก็เป็นเรื่องอดีตไป แต่ก็ไ ม, ม่ตราประดับใจอยู่ดันดีบ้างดันไม่ดีบ้างบางทีก็คนนั่นแหละคือคนที่เราชอบกับคนที่เราไม่ชอบก็าอาจจะทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้ต่อเราไม่ใช่ต่อเราอ่ะนะคือเขาทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้ก็พุงใจเจ็บว่า ผู้นี้ได้เคยทำอันตรายต่อเราผู้นี้ได้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรานั้นแสดงว่าในกรณีที่เขาทำไม่ดีต่อตนเองและต่อญาติพี่น้องของตนเองแต่บางกรณีก็ทำความดีต่อคนที่เราไม่ชอบ มันเป็นความรู้สึกประเภทที่เรียกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นจากความโกรธหมายความเป็นจริงๆเราก็โกรธคนโน้นแต่ปณีคนคนนี้ไปทําความดีกับคนโน้นเราเลยไม่ชอบคนนี้ด้วยแต่ถ้าเขาทาความดีกับญาติพี่น้องของเราทําความดีกับเราเราก็ชอบนะ นันแสดงอาการของความยิน ด, ดียินร้ายเนี่ยมันเอาก็จริงมันเอานิยายไม่ได้เหมือนกันคือเอาเหตุผลอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องอารมณ์เหมือนกันประการต่อไปก็คือโกธะเป็นกิเลสประเภทโกรธเหมือนกันกิเลสประเภทโทรสะเหมือนกันเป็นความรู้สึกกระทบกระทั่ง ก็ผ่านมาทางตาจะมู ล, ลิ่งกายหรือบางครามบาคราวเราก็เนี่ยวนึกสึกนึกขึ้นมาเองแล้วเกิดความโกรธขึ้นทีนี้ความโกรธตรงนี้ยเมื่อมันอยู่นานไปเนี่ยมันก็กลายเป็นพยาบาลพยาบาลก็อาจจะประรูปัจจุบันคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาตพี่น้องของเราคนนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเราสักสูบเรา หรือบางทีก็อนุมานเอาหรือพยาบาทนะะอนุมานเอาว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูณรสสูเราครับนะก็ความโกรธก็กระโดดไปเป็นพยาบาทมันข้างค่าอยู่ภายในใจ แลอบนาหาคือความผูกโกรธเป็นความโกรธนั่นแหละแต่ว่ามันทิ้งช่วงอยู่คือแทนที่จะดับไปในระยะไกลๆสองวันสามวันสี่วันบางทีก็เป็นเดือนเป็นปีก็ยังผูกใจเจ็บอยู่อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพยาบาทก็ยังไม่ถึงก็พยาบาทแต่ก็เรียกว่าผูกโกรธหรือผูกใจเจ็บ ก็มีการกรําหนดด้วยความยิดียินรายเหมือนกันนั่นแหละเช่นว่าเขาทําไม่ดีต่อเราก็าทําให้ดีต่อญาติพี่น้องของเราเราก็ปลูกโกรธเข้าไว้ระยะเนี่ยแต่ต่อมาก็จะลืมไปแต่บางทีก็ทําความดีต่อคนที่เราไม่ชอบเราก็ปลูกโกรธได้ระยะหนึ่ง แต่ไม่นานนะพยาบาทก็จะนานกว่าอาฆาตกับพยาบาทนี่จะอยู่นานอุปนาหะเขาก็ไม่นานาแต่ก็หลายวันมากกว่าโกรธประการต่อไปมัคคะคือลบหลูคคคลห่คุณความดีของบุคคลอื่นคุณความดีของบุคคลอื่นก็มีสองอย่างก็คือความดีที่เขามีเป็นปกติวิสัยของเขา พทำให้เราเกิดริษยาบ้างเราไม่ชอบเขาบ้างเรากลัวก็จะดีจะเด่นจะดังเวลาจะต้องพูดถึงเราก็ต้องมีข้อแม้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะบั่นทอนไอ้สิ่งดีงามหล่อนนั้นของเขาออกไปคือลดให้มันต่ำลง อย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างว่าคนระดับนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยเราเ27คนแล้วไม่มีใครที่ได้รับการสรรเสริญโดยส่วนเดียวคือบางทีก็หาจุดอ่อนอะไรท่านไม่ได้เอารูปร่างบ้างเอาปุ ก, กลิกบ้างเอาผิวพรุ์บ้ า, บางอะไรต่ออะไรมาเป็นข้อแม้ที่จะบั่นทอน ความดีของท่านทั้งน ท, ที่เราประรบเรื่องความดีแต่วก็จริงมันไม่มีเรื่องที่จะบิดเบือนความดีก็ไปเอาจุดด้อยอื่นๆมาเกี่ยวข้องมันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะแต่ว่าใจที่เป็นผ่านมันคิดไปได้ อ, อ, อีประการหนึ่งเขามีคุณูปการต่อเรา เป็นปู่ย่าตายายเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้เคยสงเคราะห์อนุเคราะห์เราเคยพึ่งพาอาศัยเา้าแล้วก็ไม่สํานึกถึงคุณความดีว่าท่านเคยมีอุปราคุณแกเรามาในการก่อนหมายความว่าท่านดีส่วนตัวท่านเราก็ลบหลู่คือลดให้ามัน้อยลงไปกลัวท่านจะเด่นกว่าเรา ท่านมีความดีต่อเราเราก็พยายามปฏิเสธพยายามลืมเลือนเรื่องอากาตันยูนี่ก็ไม่ต้องพูดมันเยอะลเล ย, เยคือสมมติเราหมอดูจะทำนายว่าคุณเนี่ยทำคุณกับคนไม่ขึ้นเนี่ยถูกทุกคนเนี่ยถูกทุกคนเลยทำนายใครก็ได้ เพราะว่าคนที่ลบรู้คุณความดีของบุคคลอื่นไม่สำนึกถึงคุณความดีของบุคคลอื่นหรือบางทีอาจจะคิดว่า เ, เรื่องเล็กน้อยอะไรแต่ไรเนี่ยมันมีอยู่เยอะและจิตใจเหล่านี้ลองสังเกตว่ามันจะมีความกระด้างมันจะมีความกระด้างตั้งแต่นอนมาแหละตั้งแต่พยาบาทตั้งแต่โกรธความผูกโกรธ ความรบหลู่คุณดีใจกระด้างเท่านั้นแล้วก็มีอาการของโทสะกับโมหะส่วนอภิชาวิศมโลภานั้นก็เป็นอาการของโลภะกับโมหะอาการต่อไปประลาสะคือตีเสมอตีเสมอท่านตีเสมอในเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่อง ความรู้ก็ได้เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานรูปร่างฐานหน้าทางครอบครัวฐานหน้าทางสกุลฐานหน้าทางทรัพย์สินก็เอามาลบหลู่บุตคุลท่านได้ทางนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลบหลู่คือว่าตีเสมอท่านได้ทางนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพูดหลับหลังเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันพิสูจน์ ว่าเรานิเด่นกว่าท่านจริงหรือไม่เขาพูดได้สบายวันนี้พูดสบายก็พูดเพลินๆไปเรื่อยทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยคืออิ ส, สาอิ ส, สาเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นนะฮะภาษาไทยเนี่ยยังสงสัยอยู่เหมือนกันทำไมเราจึงไปเรียกอิจสาตันท่าอิิสามันเป็นโลภะนะฮะ อิชาแปลว่าความปรารถนาอิ ส, สานั้นแปลวอริศยาเป็นสันสกฤตเรียกว่าริศยาคือเห็นคนอื่นได้ดีและทนอยู่ไม่ได้เป็นอาการทำงานร่วมกันของกิเลสสามตัวก็วคือไม่ชอบในตัวคนแต่ก็อยากได้ในสิ่งที่เขาได้ แล้วก็โมหะในด้านเหตุผลเพราะใครจะได้อะไรมันก็มีเหตุให้ได้อจึงจะได้ถ้าไม่มีเหตุให้ได้มันก็ไม่ได้แต่พอเราไปริษยาเขาถูกความโลภครอบงำถูกความโกรธครอบงำก็ทำให้คนเป็นคนคิดที่ร้ายเหตุผลไป แล้วก็กลายเป็นความริษยาก็ต่อไปมัจฉาญะคือความสนีความสนีนั้นสนีผลประโยชน์เรียกว่าลาภามัจฉิยะหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นของของเราเนะี่ยเราไม่ต้องการจะให้คนอื่นบางทีเราเรียวกว่าสนีทีเนียวบางทีเราเรียวกว่าใจแคบก็แล้วแต่ แต่ตามปกติแล้วมนุษย์ก็จะยึดติดในสิ่งของของตัวเองบาดีแม้เราแน่ใจว่าเราไม่ได้ใช้แล้วแต่จะให้คนอื่นไปมันก็เกิดประโยชน์แต่พระสันนิมันปิดกัน้นจิตใจเอาไว้ก็เลยให้ไม่ได้นี่ก็เป็นอาการของมัจจิริยะทีนี้ประการต่อไปนี่เป็นกุลมัจจิริยะ คือสนิทตระกูลแต่ส น, สนทตระกูลนี้มีหลายในอย่างรยะหนึ่งก็คือถือว่าตระกูลตัวเองเป็นตระกูลที่สูงส่งไม่ควรจะเกลือกลัวกับตระกูลบางสกุลอย่างพวดคนรวยกับคนจนอย่างเงี้ยคนกรุงกับคนบ้านนอกอะไรเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ประเทศไทยเราไม่ต้องปฏิเสธหรอกเรามีอาการอย่างนี้อยู่เยอะจะหมายความว่ากดคนอื่นไว้ในที่ต่ำแล้วก็เทิดตัวเองไว้ในที่สูงเห็ว่าเสียศักดิ์ศรีที่จะข้อผาสมาคมจะพูดจากับคนเหล่านั้น อย่างราบนนะบบปัญหาในอินเดียนี่ชัดเจนเลยปัญหาเรื่องการแต่งงานเนี่ยชัดมากคือแสดงออกมาชัดมากประศัสษผูพรามก็จะสนิทตะระกูลตัวเองไม่ยอมไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอื่นอย่างที่เขาเล่านี่ว่าอเมเก้าเนี่ยท่านเป็นคนวรรณสูตรเป็นด็อกเตอร์เป็นยาโทรไลป์ปริญญา เป็นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียที่ใช้ยอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในสมัยเนรูท่าน ต, ต้องการอะไรทนาไม่ถูแ้แต่ว่าไปแต่งงานกับนางพรามันีก็เปปรากฏว่าท่านตายในวัยที่ไม่ควรตายมีคนคนหนึ่งเชื่อว่าถูก วางใจเบื่อวางใจพิดค่าก็ โ, โดยพวกพรามนั่นแหละคือไม่ยอมให้ไปแต่งงานกับคนวันน้สูรเพราะว่าลูกความเชื่อของเขาให้เป็นจันทานแต่วันนี้คนจันทานอินเดียก็โดยอาศัยรถเรื่องบกล้ารนี่แหละก็ได้นำปฏิญาณเป็นพุทธ ครั้งแรกเนะี่ยตั้งสีห้าแสนนะฮะแต่เวลานี้ก็ขึ้นไปตัวแรกที่สำรวจการเป็นการภายในก็ตกข้ร้อยกว่าล้านละแต่ว่าตามปกติสังคมอินเดียเนี่ยมันแสดงตัวฝักไฝ่ศาสนาได้ศาสนาหนึ่งยกเว้นอิสลามกับ ไอสลามเชนนะฮะและวฮินดูแล้วก็ซิกใจลําบากเชนนี่เขามีอิทธิพลในทางธุรกิจในทางการเงินกับในทางอํานาจไม่ใช่ในทางวิชาการไอซิก น, นี่เขามีอิทธิพลทางการทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางตําแหนง่งทางการทหาร มีนายทหารมีนายพลใหญ่ๆเยอะที่เป็นซิกแล้วเก็เป็นนักรบด้วยตอนแม้คนก็จะไม่มากแต่ว่าใครไม่กล้าแย้มหรอกตอนชาวผู้แดงเวลานี้ถึงแม้จะมากที่จริงก็มากกว่าซิกนะแต่ก็ไม่กล้าแสดงตัวส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าแสดงตัว เพราะไเพราะว่าสังคมมันยังมีมัจฉริยะความเสน่ี์สกุลอยู่เยอะยอมเข้ามาสมาคมมายอมเข้ามาสมาคมมยอมเกี่ยวข้องกันแต่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีคือปลดปล่อยตัวเองให้รอดพ้นจากพันธนาการของกฎกติกาที่ฝ่ายผู้มีอำนาจได้สร้างขึ้น ก็คือพวกพราหมณ์กับกษัตริย์เนี่ยสร้างขึ้นแต่ว่าตัวเขียนเรื่องเนี่ยคือพวกพราหมณ์แต่กษัตริย์ท่านก็ได้ฐานะนะฮะคือเป็นเหนือวันนาทั้งหลายการถือระบบันนามันก็มีสืบต่อกันมา จ, าจนถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปก็คือสถนีที่อยู่ห่วงที่อยู่เรียกว่าอาวาสมัชริยะคือห่วงที่อยู่สนีที่อยู่ ไม่ต้องการให้คนอยู่อาศัยวันก่อนก่อนจะข้าวพรรษาแล้วนะวันทีรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบสามที่ยี่สิบสองกรกฎาจะคุณเทพิสุทธิกวีโทรมาหัวค่ำ้ว บอกว่าวีพระที่ไม่มีวัดจะจําพรรษาตามว่าที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่ได้ไหมบอกไปเลยที่ศูนย์ส่งเสริมอยู่ได้เยอะเวันนี้ก็อยู่กันทั้งธรรมยุทธมานิการ์มีธรรมยุทธก็มีมานิการ์ก็มีเวลาไปทําปฏิโมกก็ไปกันคนละวัดแต่ก็อยู่ก็ร่วมกิจกรรมกัน ในการศึกษาเราเรียนในการไหว้พระสวดมนต์วินทบาทต่างคนต่างไปแยกย้ากันไปจะอยู่กันได้ก็ไม่แปลกอะไรสิ่งอะไรที่ยังเป็นจารีตยมก็ปล่อยไปอยาให้เป็นจารีตยมไปแต่เราก็ต้องสนักถึงว่าเราเป็นเพื่อนสปรมาจารีกันเป็นเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกัน กระดาที่อยู่เนี้ยหาไม่ได้สุนัขยังอยู่ได้นะฮะพระยังอยู่ไม่ได้ก็น่าน้อยใจเกันก็นกอันนี้ก็คือสนีที่อยู่กันมันไม่ใช่ไม่มีที่อยู่หรอกแต่ว่าหวงที่อยู่เป็นเจ้าครอบเจ้าของมากเกินไปและประการต่อไปก็คือวันนาบัจฉรยีย วันญญน้มัจฉริยะนิสณนีผิวก็มีนะฮะวันน้าที่แปลว่าพวกอย่างวันณะทั้งสี่นี่ยก็มีหรือวันน้าคือความดีก็มีจะมีหลายความหมายแต่อย่าลืมว่าพวกนี้มีการสนีกันทั้งนั้นอย่าพวกผู้หญิงนี่เราลองสังเกตว่าแม้เธอจะเป็นกรรมกรกระตานจะปิดปากปิดหน้าปิดอะไรโปรจะดวงตาเลยทํางานจะไม่ห่วงผิว ยอมร้อนทนร้อนขอให้ได้ระสษาผิวเาไว้ทันใดเด็กเดกก็ธรรมมวัจเริยะันีธรรมะสนีความรู้ที่จะชี้แจงแนะนำสั่งสอนแก่บุคคลอื่นโดยสมัยโบราณเนี่ยชัดเจนคืออาจารย์จะหวงความรู้เอาไว้ความรู้เปน็นนันมากที่มันตายหายไปจากโลกเพราะว่าอาจารย์รู้คนเดียวไม่ยอมถ่ายโทษใดร ปุบปาจารย์ตายก็จบลองนึกดูธรรมมัจฉรยยะนี่ถ้าเทียบถึงสมัยของจีนสมัยฮูโตสมัยสามก๊กนะแล้วก็สมัยพระพุทธเจ้าคือหมอชิวกกมาลพัฒนะทั้งสองท่านนี่เป็นหมอที่วดาหมอชิวกนี่โอ้สมัยนี้ยังเอาเสมอท่านยังไม่ได้นะความสามารถในการรักษาโรค มอโตนั้นก็ถูกฆ่าทีา่กตถูกจองจาจดสูสัง่งจองจำก็เลยก็ไม่ได้เผยแพร่ความรู้ออกมาหมอจิโอ ก, ก็ไม่มีคนถ่ายทอดแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะจนีหรอกแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครที่สามารถเข้าถึงอย่างที่ท่านเข้าถึงวิชาแพทย์เหล่านั้นในที่สุดมันก็หายไป คนก็ต้องเริ่มค้นคว้ากันห ม, มายาเป็นลักษณะของกา ร, รเสแสร้งหลอกลวงทําเล่ะอะไรโดยประการต่างๆ เ, เรียกมารยาภาษาสันสกฤตเียว่ามารยาแต่เราก็เรียกว่ามายาบางทีเป็นชื่อแทพธิดานะนี่เป็นชื่อกิเลส อย่างพระนางสิริมหามายาในี่ที่จริงท่านชื่อมายาแต่ว่าเราก็กลัวไว้เขาจะตีความเป็นมายาก็เลยก็ใส่สิริมหามายาเข้าไปเลยสิริสุโทโธธนะคือใส่เข้าไปสิริในความหมายของอินเดียก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่หรอกที่จริงก็ถ้าเป็นผู้ชายก็หมายถึงถึงนา ย, นยถึงมิสเตอร์นั่นเอง ก็คือสีทีปัจจุบันเรียกว่าสีคนมารยาเนี่ยมันจะเรียกว่ามารยาร้อยเล่มเกวียนคือนึกไม่ทันระลึกไม่ทันเข้าใจยากคนแต่ละคนพร้อมจะมีมารยาด้วยกันทั้งนั้นจะมีมากหรือมีน้อยจะแสดงหรือไม่แสดงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า กิเลเหล่านี้มันตรงจิดคนเลยันสาเธอยะโอ้วดอวดตัวเองบางทีตัวเองไม่มีดีจะอวดก็ไปเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นพูดถึงบันไปชนคนที่เด่นๆนะฮะของเราเนี่ยเอาม า, เ, าเชิดชูไว้เห็นว่าเราไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น แล้วก็พูดถึงญาติที่มีทรัพย์สินเงินทองมากหรือว่าครอบครัวตัวเองที่มีทรัพย์สินเงินทองมากหรือว่าญาติพี่น้องที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตะระไรต่ๆๆญญญางๆคือว่าเอามาอวดคือโขนคนอื่นเขาอะโขนคนอื่นเขาเวลาเนี้ยมีการอ้างอิงอ้างอิง การคิดกับคนนั้นคนนี้คนโน้นเวลานี้มันมันก้าวหน้าไปเยอะแล้วคือในกิจกรรมที่คนมากๆเนี่ยคนพลุกพล่านอยู่กันมากคนบางคนก็ก็ใช้ในแนวมารยาการโอเวอเนี่นะก็ไปยืนข้างหลังท่านผู้นั้นหรือยืนข้างๆท่านผุ้นั้นแล้วก็ให้สัญญาณพระคู่เขยถ่ายภาพเก็บไว้ เอาเป็นเรื่องมือหากินได้เยอะคนใกล้ชิดคนใหญ่คนโตบางคนที่สังคมเขายอมรับสถานภาพขั้นๆพวกนั้น่างเป็นคนใกล้ชิดคนนั้นคนนี้มีรูปถ่ายอะไรแต่ไรเรียบร้อยปัจจุบันนี้ก้นาหน้าได้เยอะนะฮะว่าอะไรนะมือถือเนี่ยก็ถ่ายภาพตัวเองเนี่ยได้ ต่อไปก็คงจะไกลพวกสาทยะโอวดเนี่ยคงจะไปไกลหัวดื้อธรรมะที่เราเรียกหัวดื้อคือไม่ค่อยยอมรับนับถือไม่ค่อยเชื่อกวังไม่ค่อยทำตามจะแนะนำสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวอย่างไรก็ตาม ไม่ยอมเชื่อถือไม่ยอมปฏิบัติต่างท่านแบ่งเป็นสามประเภทเรื่องดึงคือเรื่องอะไรที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยบอกว่าอย่าไปอย่าทำเขาจะไปจะทำารื่อด้า ก็ห้ามไม่ให้กินไม่ให้เที่ยวไม่ให้อะไรต่างๆเราก็ทาเฉยทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดืดดันต้องการเอาชนะให้ได้ต้องการเอาชนะให้ได้ใกลห้ามปรามตักเตือนอะไรก็มีการท้าทายทดสอบอยู่ไปเรื่อยๆ ปัญห า, าเหล่านี้ถ้ามันแรงกลายเป็นทิฏฐิคือให้ความเคารพตัวเองแล้วไม่ยอมฟังเหตุผลจากคนอื่นเลยไม่ว่าใครจะว่าอย่างไงก็ตามผิดหมดตัวเองถูกอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นลักษณะของคนประเภทที่เรียกว่าทมพลาดคือหันด แล้วางคนนึกถึงคำว่าจตุสดมก็อะไรล่ะพุทธิศึกษาเจริญศึกษาหัตถศึกษาพระราศึกษาเนี่ยก็สี่เสาแต่มาจากเนี้ยมาจากเสานี่แหละคือองค์ธรรมเหล่านี้แกไม่มีชื่อหรอกเวลาพระพุทธเจา้านำมาแสดงก็ทรงเรียกด้วยรู ป, ปรธรรม ตั้งชื่อกิเลสเหล่านั้นด้วยรูปธรรม ท, ที่คนสามารถสัมผัสได้เช่นคนโลภจัดกันี่เราสัมผัสได้คนพยาบาทเนี่ยสัมผัสได้คนรีกรธ้เนี่ยสัมผัสได้คนผูกโกรธเนี่ยสัมผัสได้คนดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยสัมผัสได้เราก็มาตั้งชื่อด้วยภาษาบาลีเตยมชื่ออย่างนี้แต่พอเราไปประเทศอื่นด้วยภาษาอื่นเขาก็พูดด้วยคําอย่างอื่น โดยเนื้อหาก็จะเป็นเดียวกันแต่ว่าโดยภาษาแล้วก็จะต่างกันพอะะนําว่าคำระอูเดือ้อก็มาจากเสาตึงพอพูดว่ามันดือ้อพลักไปซ้ายก็ไม่ไปคว้าก็ไม่ไปยกถอนขึ้นก็ไม่ได้กดลงก็ไม่ได้บางทีก็อุปมาว่าดือ้อมอนก็นแมว แมวในเขาอธิบายก็อธิบายว่าถ้ามันเดินไปข้างหน้าเราไปจับที่หูมันเดินให้มันเดินเร็วขึ้นเนี่ยมันไม่ไปอ่ะมันถอยหลังทีนี้ถ้าว่ามันถอยหลังเราก็ไปจับหางมันเพื่อดึงมันถอยหลังมันก็ตะกุยไปข้างหน้าเราดึงที่หลังมันขึ้นมันก็โกดของลง เราดึงที่ท้องมันลงมันก็เด้งหลังขึ้นเอาเข้ามาอยู่อ่ะเขาเรียกก็ะดึเหมือนกับแมวจะทำยังไงก็ไม่ได้แต่ว่าแมวแมวแกก็มีปัญหาน้อยนะแมวมันไม่ใช่คนคือสร้างปัญหาได้น้อยประการต่อไปคือสารล้ำพระแปลว่าแข็งดีในนี้ก็คือ แข่งดีถ้าแข่งกันทําดีอย่าไปคิดเอาชนะฆ่าขานกันแต่แข่งกับตัวเองนั่นดีนะฮะเพื่อนทําได้เราต้องทําไม่ได้เพื่อนทําเป็นเราต้องทําให้เป็นเพื่อนรู้เราต้องรู้เพื่อนเข้าใจเราต้องเข้าใจตามปกติเราชักใช้กำวมามุมานะ <_ d ata> จับแนวตรงนี้มันเป็นแน่ประตุ้น ยันที่พระเจ้าสรงใชง้ทรงตําหนิภิกษุโยงยกย่องภิกษุในธรรมกลางสงฆ์ทั้งสองเรื่องนะั่นทั้งสองเรื่องต่อมาจะต้องพูดในธรรมกลางสงฆ์เพื่อกระตุ้นคนที่ยังไม่ถูกตําหนินีให้ตระหนักว่าเธอจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้จะถูกตําหนิด้วย แล้วเพื่อกระตุ้นคนอื่นที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันหรือเป็นคนดีด้วยการให้พยายามรักษาความดีเอาไว้ดุดคือรักษาความเคิดโอกาสหนึ่งก็จะรับชกจอมจากพระพุทธเจ้าเพราะในคราวใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งทิกสูตรที่เป็นเอตถคคาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นทรงยกย่องพระอุบาลีไว้ในตำแหน่งยอดของภิกษุทั้งหลายที่เลิศทางจำทรงวินัยเอาไว้พระโกะเฮโลสลาภากันไปชุดหนึ่งมุ่งมานะทีชจะทรงจำพระวินัยเอาไว้เพืรับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าแต่อย่างนี้เราก็ใช่ไปในทางบุกแต่ก็ไม่เรียกว่ากิเลสนะก็ไม่ได้ว่ากิเลส แล้วก็ก็ไม่เรียกว่าแข่งดีก็เป็นเรื่องของฉันทาวิริยาจิตตะวิบังษาไปทีนี้สารลัมพระที่แปลว่าแข่งดีหมายความว่าพยายามที่จะเอาชนะค้าขานกันในทางที่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยควร ซึ่งบางคราวบ า, บางคร้บาคราวก็ไปพนวกกับพยายามตีตนเสมอทันแต่อย่าลืมว่าถ้าแข่งกันทำดีหรือพยายามทำดีตเอ า, เอาท่านเป็นเยี่ยงทำความดีตามท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรประการต่อไปก็คือมานะมานะเน้นปิ่งกิเลส ละเอียดนะฮะเป็นกิเลสที่ละเอียดเป็นสังโยชนระดับสูงคนละได้จริงๆมีเฉพาะปาราหารันปรนาคามีอย่างละไม่ได้เลยแต่มาณนะโดยทั่วไปเนี่ยเช่นว่าเราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าคนอื่นในเรื่องใดนะเรื่องๆๆหนึ่งนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีมนุษย์ไหนที่เลิศ ก, กว่าคนอื่นทุกเรื่องหรอก อาจจะสักเรื่องสองเรื่องหนึ่งเพียงแต่เรายังหาคนที่เสมอกเราเลิศ ก, กว่าเราไม่เจอแต่นั้นเองคนใครที่จะเลิศไปเทียทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ ม, มีแล้วก็เลิศ ก, กว่าคนอื่นจริงๆที่จริงไม่มีนะที่จริงไม่มีเพียงแต่ว่าในแวดวงคนที่เรารู้จักไม่กี่คนเราได้ยับจะร้องมาเลิศ ก, กว่าคนอื่น ก็ทํานองแรกกับประกวดนางสาวไทยอะไรนางงามโลกหรือว่านางงามจั ก, กรวาล อ, อะไรต่างๆก็ที่จริงไม่จริงเท่านั้นคนเยอะไปแต่เป็นประกวดไม่กี่คนเองเราจะรู้ได้อย่างไงว่า ง, งามที่สุดในโลกงามที่สุดในจั ก, กรวาลเอาจั ก, กรวาลเนี่ยประจุปร ะ, ประกวดในโลกเดียวแตนนเรงจะเรียกว่าจั ก, กรวาลยังไงดาวดวงเดียว เรียวจักรวาลก็ต้องประกวดมนุษย์ต่างดาวด้วยอ้นี้ก็เป็นโวหารของสาสตร์โลกที่เพลินๆนะฮะพูดเพลินๆแต่เราไม่คิดถึงปัญหาขา้อเท็จจริงว่าไม่จริงเลยสนะักข้อเพียงการกิจกรรมของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแต่เวลาตั้งชื่อเนี่ยไปคร่อมความรู้สึกนึกคิดของคนอื่น แตงโกมก็ไม่อยากจะต่อหลอต่อเทียงก็คล้อยตามไปแล้วก็กลายเป็นเครื่องจะต้องฝังไปแต่ถ้าเรามองถึงข้อได้จริงแล้วมันไม่มีความจริงต้นมหนาเนี่ยบางทีเราเลิศ ก, กว่าเขาในดันในดันเน่เราก็คิดว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาพอเลิศ ก, กว่าเขาเป็นชักจะเลิศมากไปหลายเรื่องไปแล้วก็กลายเป็นปนัญหา อ, อาจจะนำไปสู่การดูบินท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเลิศกว่าเขาจริงแต่เราไปตีว่าเราเสมอกว่าเขาเราเลิศกว่าเขาแต่เราไปคิดว่าเราร้อยกว่าเขาก็าทาให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่กล้าตัดสินใจอย่างในสังคมเรามีคนดีเด่นดังเยอะ ที่จะเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยแต่เราไปคิดว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำไม่เป็นไม่รู้ไม่เข้าใจยังไม่ได้ลองอ่ะนะยังไม่ลองแต่เราคิดว่าเราอยู่ในฐานะอย่างนั้นหรือบางทีเราก็เสมอกเขาแต่เราคิดเราเลิ ก, กเขาเราเสมอเขาเราเลีกก้ยงเขา เราเร็วกว่าเขาก็คิดว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาหรือเสมอเขาเร็วกว่าเขาเอเร็วกว่าเขาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยแข็งกร้าวหรือว่าซึมเศร้าขดถูเพราะพะายอมจำน้นหมดไปคำว่าไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจเนี่ยแต่ระยะเนี่ยมันช่งงาหมด คนไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เคารพตัวงประการต่อไปอติมาณะคือดูหมินนั่นดูหมินเรื่องรูปร่างดูหมินเรื่องโภพานดูดูหมินเรื่องสกุลดูดูหมินเรื่องความรู้ดูหมินผิวดูหมิน่องอสารพัด ส, สารพัดเรื่องที่จะเอามาดูหมินคือบางทีมันฝังรากอย่างลึกอยู่แล้วก็ พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจากกระแสประธานาธิบดีสหรัฐาาเมกาคนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนั้นกระแสฟีเวอร์เลยฟีเวอร์คนสีผิวกับผู้หญิงแล้วก็คิดหมายกันว่าไม่ผู้หญิงก็คนผิวสีแหละพอเสร็จแล้วก็ออกมาที่คนผิวสี ก็เวลานี <S <S ้คนก็เกิดที่ดูมินขึ้นมาปรยาอมริตรอนสร้างข่าวบันทอนความรู้ความสามารถอะไรต่างๆกล้ๆก็เพื่อนทำงานมาสักห้าปีเพื่อนทำงานมาก็ไม่เท่าไหร่นะฮะก็ยังไม่ถึงสองปีเดนมกราก็ถึงสองปีนี่ก็แสดงให้เห็นถึงอาการดูมิน แต่ว่าดูมินดูมินดูมินผิวอะ่ะดูมินผิวหปทีนี้จะไปพูดเรื่องผิวมันก็หาว่าละเอียดผิวอีกอ่ะแล้วก็พูดเรื่องการงานวิปักษ์วิจารณ์ว่าได้ทั้งนั้นแหละเรื่องจะ ว, วิจารณ์ว่าได้ทั้งนั้นแต่ว่ามันทําด้วยความสุจริตใจจ ร, จ, จริงใจมากมัยแค่ไหนเพียงไรเท่านั้นเองต้องฟังทลาย